ทหกรรมจะต้องตอบยังจําในใจรักชั่วทําดีทําใจให้ใสชีวิตลําตายจะได้ไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเรามาฟังเคสตสดีกันเลยพ่อของลูกเป็นพระเอกลิเกเป็นแชมป์เลยล่ะ ไม่ใช่เป็นพระรองหรือผู้รายหรือซ้ำไปคุณตาเป็นหมอขวัญเมื่อมีงานบวชที่ไหนตาจะต้องไปทํนน า, าขวัญมากจะภาพกะหาลิเกคณะพ่อไปแสดงทําให้ตากับพ่อของลูกสนิทกันแต่ตอนนั้นน่ยยังเป็นแค่ว่าที่กันนั่นแตาพาพ่อซึ่งเป็นพระเอกลิเกมาเที่ยว บ, บ้านบ่อยๆแสดงกับพ่อของมองการไกลแน่นๆเลยเนี่ย จนพ่อชอบลูกสาวของตาเห็นไหมละ่ะนี่ <c oughs> มีมีแผนกาน <c oughs> ก็คือแม่ของลูกและต่อมาแม่ก็เลยหนีตามพ่อไปอ้าวนี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เออไอตาลากะขีมาดีนะดูส ง, ง่างามดันหล่นลงมาสิ <c oughs> ทำให้ตาเนี่ยโกรธมาก <c oughs> ตัดคว้าเป็นพ่อลูกกันเลยเ <c oughs> นี่ยพามาให้ดูลูกสาวตัวเออ ให้มันทําถูกหลักวิชาหน่อยไม่ได้เ <g ul et> มื่อแม่ไปอยู่กับพ่อจ <g ul et> ึงได้ความรู้ใหม่ว่า <g ul et> พ่อนะ่ยมีเมียมีลูกแล้ว <g ul et> ก็ไม่ศึกษาหาความรู้ซะก่อนเนี่ยต้นค <g ul et> ่าวิชามันเลยแพงแม่ต้องลําบากมากเพราะพ่ อ, อยังคงไปแสดงเลเกและเจ้าชู้เหมือนเดิมส่วนย่านะ่ยคือแม่ของพ่อนะ่ยก็ติดการพ น, นันและอาบายมุกทุกชนิด ดาทอแม่ตลอดเวลาเมื่อแม่คลอดลูกได้สองเดือนย่าก็ให้แม่ออกไปทำนาแม่ต้องเอาลูกไปด้วยโดยเอาลูกนอนในเรือพายลำเล็กแล้วก็เอาผ้าขาวม่านะ่ะผูกขึงจากซ้ายไปขวากันแดดให้ลูกเรานึกภาพออกไหมจ๊ะแม่นะี่ยทำนาไป สายตาก็มองเรือไปว่าเรือยังโคลงเคลงอยู่หรือไม่เกรงว่าลูกจะตกน้ำไปต่อมาลูกอายุได้ประมาณสี่เดือนนี่เห็นไมมจันเนี่ยที่เขาต้องทำขวันหน้าเพราะเหตุ น, นี้แหละแม่ทนความลำบากไม่ไหวจึงนำลูกใส่เรือลำเดิมและพายหนีออกจากบ้านย่าเพื่อมาหาตายายของลูกกลับมาบ้านพ่ออย่างเดินได้เรือลาเดิมน่แหละ แม่ออกจากบ้านย่าสองทุ่มถึงบ้านยายประมาณตีหนึ่งพายมาสองคนแม่ลูกลูกสี่เดือนแม่กับพายกลับมาหาแม่งตัวและนับแต่นั้นมาลูกก็อยู่กับตายายตลอดพอลูกอายุได้สองขวบแม่ก็มีความรักใหม่มีสามีใหม่แล้วก็มีลูกติดติดกันถึงสามคนกับสามีใหม่ ตั้งแต่แม่นำลูกมาอยู่กับยายแม่ไม่เคยสนใจเลี้ยงดูลูกเลยทาให้ลูกน่เข้าใจว่าตายายคือพ่อแม่ของลูกลูกจึงเรียกทั้งสองว่าพ่อแม่และเรียกแม่ตัวเองว่าเรียกว่าอีเจ้พี่สาวไงวอีที่เป็นเพศหญิงถ้าอีอย่างเหมือน อีแ ง, งมีแต่ตัวเมียทายเคมีแต่ ต, ตัวผู้โดยเรียกตามน้องน้องของแม่ต่อมาลูกอายุได้สี่ขวบแม่มาเอาลูกไปเลี้ยงเกิดอารมณ์ขึ้นมาเลี้ยงน้องๆซึ่งเกิดกับสามีใหม่ของแม่เอาไปเลี้ยงน้องไม่ใช่แม่เอาลูกไปเลี้ยงแต่ว่าเอาลูกไปเลี้ยงน้องๆซึ่งเกิดกับสามีใหม่ของแม่ แม่มีอาชีพภายเรือขายขนมพ่อเลี้ยงก็ต่างทำนาไม่มีใครดูแลน้องจึงให้ลูกซึ่งมีอายุสี่ขวบไปเลี้ยงน้องสามคนเด็กสี่ขวบเลี้ยงน้องสามคนลูกต้องตื่นแต่เช้าพร้อมกับแม่ช่วยแม่ล้างถั่วเขียวกวนแป้งมันขนฟืน เด็ก4ขวบนะแม่ทำขนมเสร็จพร้อมทั้งทำกับข้าวเช้าเสร็จไปด้วยหลังจากนั้นก็จะไปกินข้าวรวมกันทั้งหมดซึ่งมีกับข้าวอยู่เพียงอย่างเดียวเช่นปลาเค็มหรือแกงส้มอย่างใดอย่างหนึง่งแต่กับข้าวของลูกกับข้าวงลูกไม่ใช่ปลาเค็มหรือแกงส้มแต่เป็นน้ำปลา หรือซีอิ้วทุกมือ้อไม่ซีอิ้วก็น้าปลาลูกไม่สามารถกินอาหารอื่นได้เลยไม่ช่เจ็บปากไม่จะเจ็บลิ้นเนื่องจากพ่อเลี้ยงจะกาชับไปว่าห้ามกินกับข้าวของข้าวเด็ดขาดเวลากินข้าวลูกก็ต้องนั่งก้มหน้าตลอดถ้างเงยหน้ามาจะพบกับสายตาเกรียวกราดดุดัดนของพ่อเลี้ยงให้มันได้อย่างงี้สินี่เพราะนั้นเวลากินต้องก้มหน้า เหมือนมามาลูกเลยเนี่ยก็ <Yeah. S 1> แม่มักจะถามลูกทุกครั้งว่าเอาแกงไหมลูกลูกก็จะตอบว่าไม่เอาไม่ชอบเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปถ้าลูกดื้อดึงกินกับข้าวของเขาเมื่อแม่ออกไปขายขนมแล้วลูกจะถูกพ่อเลี้ยงตบศีรษะจนหัวทิ่มหัวตําทุกครั้งไปแล้วก็จะพูดว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าไปให้กินของกู ลูกจะกลัวจนลน ล, ลานแล้วต้องร้องไห้แบบไม่มีเสียงร้ อ, องแบบไร้เสียงเราไปหัดร้องสิเพราะเขาห้ามปล่อยเสียงปล่อยเสียงกับพวกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเทคนิคเวลาเลองก็ต้องอึกๆๆๆๆ๊กอึ๊กอึเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วลูกจะต้องขนขนมทุกอย่างไปเรียงไว้ในเรือพายลําเล็กเข้าไปทราว่ากินขนมได้บ่าด้วยนะ colored? แต่บ้านตามขนมขายพร้อมนั้งเตรียมอุปกรณ์ตักขนมให้พร้อมใสเกรือไว้ให้แม่ในขณะที่แม่กำลังอาบน้ำเมื่อแม่ออกจากบ้านไปขายขนมแล้วน่ะลูกก็จะต้องขนภาชนะที่แม่ทำไว้ทั้งหมดในครัวลงไปล้างที่หัวสะพานด้วยจิตใจที่หดหู่หวาดระแวงลนลานกลัวพ่อเลี้ยงจะมาหาเรื่องตบตีเพราะพ่อเลี้ยงเกลียด ลูกมากจะลืมว่าเธอสี่ขวบเขาคือรู้ว่าแม่จะรักลูกมากกว่าลูกของเขาพอเสรจภารกิจแล้วก็ไปเปลี่ยนพ่อเลี้ยงกไวยเป็น้องและดูแลน้องส่วนพ่อเลี้ยงก็จะออกไปท้องนาทั้งวันเมื่อน้องหลับลูกก็จะต้องกวาดบ้านถูบ้านและหาบน้ําใส่ตุมให้เต็มทุกตุม่มที่พล่องไปจากการใช้งาน อย่าลืมเธอ ส, สี่ขวบทํางานไปหูจะต้องฟังไปพอน้องจะตื่นขึ้นมาร้องหรือไม่ถ้าน้องร้องเสียงดังจะต้องได้ยินไปถึงหูพ่อเลี้ยงเพราะนาอยู่หลังบ้านจึงต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นไปแกว่งเพลน้องไปด้วยแล้วก็ลงมาทํางานไปด้วยเมื่อเสร็จงานทุกอย่างแล้วลูกก็จะอยู่บนบ้านเฝ้าน้อง ในขณะที่น้องหลับจนกว่าน้องจะตื่นโดยการไปยืนเกาะขอบต่างแล้วจะเงยมองหาพ่อเลี้ยงว่ายังอยู่ที่ท้องนาหรือไม่อย่าลืมเธอสี่ขวบเมื่อเห็นเขายังอยู่ก็ดีใจเพราะไปยา้ายเขากลับมาบ้างอยา้ายเขาอยู่ที่ท้องนาไปตลอดชีวิตอย่าลืมสี่ขวบทุกวันประมาณสามโมงเย็นจะต้อง รีบหุงข้าวเดดเตาฟืนหมายควาจะต้องไปขนฟืนมาดงข้าวเด็ดเชดน้ําเตรียมรอแม่กลับจากการขายขนมเวลานี้จะมีความสุขมากเพราะแม่ใกล้จะกลับแล้วตกกลางคืนหลังอาบน้ําเสร็จแล้วแม่กับพ่อเลี้ยงก็จะช่วยกันนับเงินเหรียญจากการขายขนม ส่วนน้องจะวิ่งเล่นอยู่รอบๆพ่อแม่ของเขาลูกก็จะนั่งแอบอยู่ข้างเสากลางบ้านซึ่งเป็นที่มืดเพราะตังบ้านมีตะเกียงอยู่ดวงเดียวแต่ลูกก็ไม่ต้องการแสงสว่างเลยลูกกลัวว่าเขาทุกคนจะเห็นว่าลูกแอบร้องไห้ข้างเสาทุกวันอย่าลืมเธอสี <4 S 1> ขอ่ขวบเมื่อนับเงินเสร็จแล้ว แม่ก็จะ ช, ชงอวันตินให้น้องไลยพ่อเลี้ยงกินกันอย่างมีความสุขลูกนั่งฟังเสียงช้อนกระทบกันดังกึกิ๊กและแอบดูเขากินกันโดยจะไม่มีใครเห็นปายอยู่ในที่มืดไฟอยู่ที่สว่างแม่ก็จะมาถามว่าเอาไม่ลูกลูกก็ตอบว่าไม่เอาไม่ชอบต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งเพราะกลัวพ่อเลี้ยง เมื่อถึงเวลาที่เขาจะนอนกันพ่อเลี้ยงก็จะบอกให้ลูกปูที่นอนให้เขาพวกเขาจะพากันไปเข้าห้องน้ำข้างล่างเมื่อขึ้นมาก็จะเข้ามุ้งนอนในขณะที่ลูกนั่งรอคำสั่งที่เสากลางบ้านต้นเดิมจนกว่าพ่อเลี้ยงจะสั่งว่านอนได้แล้วอย่าลืมเธอสี่สขวบเมื่อเข้ามุ้งนอนลูกก็จะร้องไห้และก็พึมพัาว่าแม่ไม่รักหนู หนูไม่ใช่ลูกแม่หรือหนูไม่ใช่ลูกแม่ใช่ไหมแม่ไม่รู้เลยว่าหนูถูกตบตีทุกวันตั้งคําถามในใจเผื่อว่าเสียงกู่ร้องนี่จะได้ไปยินเข้าหูแม่บ้างในฝันแม่ไม่รู้เลยว่าหนูในอยากกินกับข้าวทุกอย่างที่แม่กินแม่ไม่รู้เลยว่าหรือว่าแม่แกล้งไม่รู้กันแน่เนี่ยลูกก็จะพูดเชนิีทุกวันพูดในใจแล้วก็ร้องไห้ไปจนหลับไป อย่าลืมเธอทุกวันอาทิตย์แม่จะหยุดขายขนมหนึ่งวันแม่จะพาลูกและน้องๆไปเที่ยวบ้านยายลูกจะดีใจมากเมื่อถึงบ้านยายลูกจะแอบหลังบ้านยายเพื่อนหนีแม่เพราะไม่อยากกลับไปกับแม่อีกแต่แม่ก็หาเจอทุกครั้งครั้งหนึ่งลูกไปแอบที่หลังบ่อนนะ้าที่เดิมลูกเห็นหอยโข่งตัวใหญ่ลูกอยากรู้รสชาติของเนื้อสัตว์ว่าเป็นอย่างไร เขเคยกินแต่น้ําน้ําดองสัตว์ลูกจึงจะหอยโขงขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้ตีจนเปลือกแตกหมดแล้วลูกก็กินหอยโขงดิบๆมันลื่นไปลื่นมาเพราะเมือกเต็ไมไปหมดลูกเห็นหอยโขงมันบิดตัวเป็นเกลียวด้วยความเจ็บปวดจากการถูกลูกกัดกินลูกกินนิดเดียวก็ต้องโยนลงทิ้งไปลงไปในน้ําเพราะไม่อร่อยเลยลูกยกับแม่จนจบปอ .4 ก็สิบขวบ ก็มีคุณนายมาซื้อที่ดินของยายและขอยายหาเด็กผู้หญิงให้หนึ่งคนเพื่อจะเอาไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมยายจึงยกลูกให้ไปอยู่กับคุณนายอนี่ไปได้เรื่องเลยเนี่ยลูกก็เสียใจร้องไห้ฟูมไฟาและเขีนจดหมายพลันนาถึงความอาพับของตนเองส่งมาให้ยายอ่านทุกเดือนขณะที่ลูกอยู่กับคุณนายลูกเรียกเขาว่าคุณป้าหญิงเขาส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชนเกรดดี มีแต่ลูกคนรวยๆไปเรียนทั้งนั้นมีลูกเท่านั้นที่ดูสกปรกหน้าตาเต็มเลือดกลากกลื่นต้องจำนะทุกบรรทัดเพราะเดี๋ยวจะไปอยู่ในคำถามไม่มีใครเล่นกับลูกเลยทุกคนรังเกียจลูกหมดคนนายให้เงินลูกไปกินขนมสัปดาห์ละ10บาทจะาจาให้ทุกวันจันทร์ซึ่งลูกก็จะใช้หมดในวันจันทร์วันเดียวเลยต่อาทิตย์หนึ่งสบาทหใช้วันเดียวหมด ้วยวันเดียวพอวันอังคารั้งวันศุกร์ลูกก็ไมมีเงินซื้อขนมลูกจะไปขโมยขน ม, ขนมของร้านค้าที่โรงเรเิงกินทุกวันสําหรับน้ําเดิมลูกจะดื่มน้ำจากก๊อกล้างมือเพื่อนๆก็จะมามุงมองกันและล้อเลียนพวกเราดูอีกเลื่อนกินน้ําก๊อกเพื่อนๆล้อเลียนอย่างงี้ทำท่าทานซี อ, อิซีเอ็นใส่ลูกลูกก็จะเอาน้ําสาดเพื่อนเมื่อเวลากลางวันลูกไม่มีเพื่อนเล่นลูกก็จะนั่งที่ม้า ไม้หินของโรงเรียนและสังเกตครูที่เดินไปมาและลูกก็จะจินตนาการว่าโตขึ้นลูกจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้จะต้องมีรถคับต้องมีกระเป๋าแบบนี้จะต้องสวมรองเท้าแบบนี้ครูคนที่สะดุดตาลูกมากคือคุณครูใหญ่ลูกสังเกตว่าครูทุกคนที่เดินผ่านครูใหญ่จะยกมือไหว้ย่างนอบน้อมลูกจึงจินตนาการว่าลูกอยากเป็นครูใหญ่ แล้วเมื่อใครถามว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรลูกก็จะตอบว่าเป็นครูใหญ่ทุกคนก็จะพากันถามว่าเอ๊ะทาไมลูกทำไมต้องเป็นครูใหญ่ด้วยเป็นครูเฉยไม่ได้เหรือลูกก็จะตอบอะไรลูกก็ไม่ตอบอะไรแต่คิดในใจว่าครูใหญ่นี่ใหญ่จริงจนะ <Good luck. S 1> เออตามภาษาเด็กต่อมาลูกเรียนถึงมสี่คุณป้าหญิงก็เสียชีวิตลงหลานๆของคุณป้าหญิงซึ่งมีท่าทางกางเกติลูกมาตั้งแต่แรก ก็ในประเทศลูกออกจากบ้านออกจากตระกูลของเขาทั้งที่ยังไม่ได้เผาศพคุณป้าหญิงเขาเกรงว่าลูกจะได้รับมรดกบางส่วนจากคุณป้าหญิงเมื่อเปิดพิายกรรมหลังเสร็จงานศพแล้วเขาจึงรีบไล่ลูกออกมากอนลูกยังต้องกลับมาอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงเหมือนเดิม oh. โดยแม่หางานให้ลูกเป็นครูสอนเด็กเล็กที่โรงเรียนที่แม่ขาย ข, ายขนมเด็กอยู่ ลูกได้เงินเดือนเดือนละ7จ็หบาทพอเลี้ยงขอเดือนละ300รอบาทแม่ขอค่ากับค่าเดือนละ300อบาทลูกก็เหลือเงินเดือนใช้เดือนละร้อยหบาทแล้วยังโทรกันแน่กแหนจากพ่อเลี้ยงเหมือนเดิมลูกทนอยู่ได้สาปีโดยจึงขอมาอยู่กับยายแต่ก็โดนพ่อเลี้ยงด่าทอยอย่างรุนแรงแม่ก ร, รุมซ้ําด้วยว่าจ้องห้องอดดีน้องสามคนยังเป็นลูกพ่อเลี้ยงก็เก็บเสื้อผ้าลูกปลาสมใส่หัวลูก พร้อมก็บอกให้ลิบออกไปผลจากบ้านนี้ลูกก็กลับมาอยู่กับยายแล้วขอยายเรียนต่อยายก็บอกว่าจะเรียนไปทำไมเป็นผู้หญิงเดี๋ยวแต่งงานแล้วความรู้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเนะี่ยยายก็เลยไม่ให้เรียนต่อต่อมาสามีของลูกมาขอแต่งงานเดี๋ยวมันน่าจะเป็นแฟนมาขอแต่งงาน <c oughs> ชีวิตลูกอะไรดีขึ้นลูกได้ย้ายมาอยู่บ้านสามี <c oughs> ได้สอนหนังสือที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง <c oughs> ในจังหวัดสมุทรปราการโดยมีวุฒิแค่เพียงมสามเท่านั้นลูกจึงไปเรียนกอสอนอต่อและศึกษาในระดับปริญญาตรีช่วงที่ลูกอยู่กับสามีลูกยังนอนร้องไห้อยู่เหมือนเดิม <c oughs> เพราะติดภาพและอารมณ์เก่าๆ <c oughs> โดยที่สามีนะั้นไม่รู้เลยนะ <c oughs> แต่บัดนี้อารมณ์ต่างๆนั้นได้หายไปหมดแล้วเพราะลูกคิดว่า ที่ลูกถูกทารุณกรรมเป็นพระวิบากรรมของลูกซึ่งความคิดเชนี้มีมาตั้งแต่ลูกถูกทารุณใหม่ๆลูกจึงยังคิดว่าทําไมลูกถึงคิดไดเช่นนั้นทั้งๆที่ลูกยังเป็นเด็กบัดนี้ลูกภาคเพียรจนจบปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาและความฝันของลูกที่เคยคิดว่าลูกจะเป็นครูใหญ่นั้นลูกก็ได้เป็นสมใจและยังเป็นได้เป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลอีกด้วยนอกจานี้ลูก ยังได้เป็นส ต, ตรีตัวอย่างแห่งปี Woman of the Year 2001และเป็นบุคคลดีเดน่นอื่นๆ อ, อีกหลายโลกลูกไม่เคยคิดเลยว่าลูกจะได้เป็นถึงเพียงนี้ลูกไม่มีบุตรกับสามีแต่ก็ได้ดำเด็กมาเลี้ยงหนึ่งคนซึงผู้ปกครองขอเด็กของเด็กได้จ้างเลี้ยงไว้เป็นเวลาหปีแล้วเด็กเรียกลู ก, กว่าแม่และเรียกสามีลู ก, กว่าป้าทั้งลูกและสามีรักเด็กคนนี้มากเหมือนลูกเลยค่ะ คำถามลูกมีการอะไรจึงถูกพ่อเลี้ยงตบตีทารุณตลอดเวลาการบรายจึงถูกพ่อเลี้ยงตบตีทารุณตลอดเวลาการบรายขัด ต, ติ ท, ตดรรทําให้ลูกต้องกินข้าวกับน้าปลานา น, น, านถึงสี่ห้าปีจนทำให้ลูกชอบกินอาหารรสเค็มจัดจนถึงทุกวันนี้ทําไมชีวิตลูกต้องระเหยเล่ล่อนตั้งแต่ยังเด็กบุญอะไรทําให้มีคุณนายมารับตัวลูกไปเลี้ยงอย่างดีแต่ทําไมตอนเป็นนักเรียนลูกจึงมีนิสัยชอบขโมย ไม่ว่าจะเป็นการขโมยเงิ น, นหรือของกินถึงแม้จะเรียนมัธยมแล้วก็ตามเมื่อกลับถึงบ้านลูกจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดหลวมๆแล้วออกไปขโมยขนมใส่พุงมาจนเต็มแม่ขงลูกไม่รักลูกเท่ากับน้องๆทั้ง3าคนเพราะอะไรคะและแม่มักพูดให้ลูกเสียใจน้อยใ จ, ยใจเสมอถึงแม้ลูกจะเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วแม่ก็ยังพูดอยู่แมงลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่พรงจมูกก่อนแม่เสียชีวิต ลูกก็รักษาแม่ดึงเงินของลูกคนเดียวเมื่อแม่ใกล้สิ้นใจแม่ก็ยังไม่เรียกหาลูกแต่แม่เรียกหาน้องๆแม่พูดว่าแม่อยากกอดน้องๆทาไมเป็นเช่นนั้นคะลูกจำบุญทุกบุญอุทิศให้แม่ทั้งหมดแม่ได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้หรือไม่คะตอนนี้แม่ของลูกอยู่ที่ไหนแม่ฝากอะไรถึงลูกบ้างหรือเปล่าคะทุกวันนี้ น้องลูกซึ่งเป็นลูกของพ่อเลี้ยงทั้งสามคนอยู่ในความอุปการะของลูกโดยทุกคนทำงานอยู่ในโรงเรียนของลูกบางคนก็ดีกับลูกบางคนก็ไม่ดีกับลูกคอยจะคิดเอาเปรียบตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรคะลูกกับเด็กที่เลี้ยงไว้มีวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาติชาติปางก่อนหรือเปล่าคะแม้กระทั่งอยากงเด็กทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นผู้นำบุญให้ลูกและคอยเกื้อกูลูกตลอดเวลา ทำไมลูกชอบฝันถึงอะไรแปลกๆฝันถึงของสูงที่อยู่เบื้องบนเช่นฝันถึงพระมหากรรษัตริย์รัชกาลที่ห้าเจ็ดและ9้าบ่อยครั้งโดยเฉพาะรัชกาลที่ห้าฝันเห็นเรือสุพรรณหงษ์พาดขอบฟ้าทั้งลำฝันว่ามีคนพาไปเที่ยวนรกสวรรค์ฝันเช่นนี้ติดต่อกันเป็นเดือนๆจนทําให้ลูกคิดว่าลูกจะตายหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงความฝันเพลย์เจอของลูกไปเองหรือเปล่าคะ ลูกชอบขึ้นพนาวัดมากได้กลันไปปฏิบัติทําหลายครั้งแล้วลูกคิดว่าอนาะคตลูกจะเลิกทํากิจการทั้งปวงและยกกิจการทั้งหมดให้น้องๆและลูกจะช่วยงานวัดทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศา ส, สนาหลวงพ่อว่าจะเป็นไปได้ไหมคะลูกเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะบ้างไหมคะลูกชอบเพลงจดหมายจากตะวันมากฟังครั้งแรกลูกร้องไห้เลยคะ่ะเหมือนประเดี๋ยวพวกคุณหลวงพ่อแต่งให้กับลูกเลยคะ่ะ นี่ก็เป็นคำถามสั้นๆเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะชาติในอดีตลกูกจะเป็นผู้ชายเป็นพ่อค้ามีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีในช่วงเริ่มต้นชีวิตเป็นคนดุร้ายมากแล้วก็ตรหนีมาก ชอบตบตีค่าธาตบริวารในเรือนเมื่อไม่พอใจฆ่าธาตุก็ให้อดข้าวแล้วก็บอกว่าทำงานนั้อีกคุ้มข้าวสุกเดวกกรรมนี้จึงทำให้มาเจอพ่อเลี้ยงเช่นนี้ที่ชอบตบตีทาลุนกรรมต่อลูกหรือจ๊ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแห ล, ละพอทำปั ก็เสร็จโปรแกรมเป็นวิบากกรรมไปเลยความตระหนี่ในอดีตนั้นตระหนี่มากมักจะหวงข้าวปลาอาหารไม่เคยยอมให้ข้าทาบบริวารอยู่ดีกินดีมักให้อดๆอยากๆและมักจะลงโทษให้อดอาหารและบางทีไม่พอใจก็ไล่ออกจากเรียนไปเลยท้าไมชาตินี้ ตั้งกรเหเครร่อนตั้งแต่เด็กและอดอดอีกอยากต้องกินข้าวกับน้ำปลานานอยู่หลายปี น, นี่แม้เพราะความตระหี่กับความโหดร้ายเนี่ยต่อมาในชาตินั้นภายหลังก็มาเจอกัลยาณมิตรในตอนที่มีปัญหาเรื่องกิจการค้าตกต่ำเห็นไหมว่า ความร่ำรวยเนี่ยมังง่งคั่งบางชั่วคราวแค่นั้นเองแม้ในชาติเดียวกันพอธุรกิจการค้าตกต่ำจึงได้รับคำแนะนำจากกัลยาณมิตรคือไม่รู้จะไปหาใครก็ไปลำพึงลำพา น, น์ด้ฟังกัลยาณมิตรแนะนำให้มามาเจอหมู่คณะแล้วก็ได้รับความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ทำให้เริ่มปรับปรุงตัวเองจากความตะณีนและโหดร้ายต่อฆาท่าบริวารแต่วัจจกก ร, รมจะเคยพูดไม่ดีกับฆาท่าบริวาจรจึงทำให้เป็นกลื่นกลากลากากลื่นในปัจจุบันเนี่ยตอนเด็กๆเนีจำได้ไหมจ๊ะต่อมาก็เลิกตะนีนเลี้ยงดูบริวารดีขึ้นอีกทั้งเริ่มให้การศึกษาแก่ฆาท่าบริวาร แลวสนับสนุนให้พระเนรเรียนหนังสือจึงทำให้ภายหลังมีคุณนายมารับไปเลี้ยงดูอย่างดีและให้การศึกษา<อ>เห็นไหมเจ้าบุญที่ให้การศึกษาปัญญาบารมีก็มาเสริมมาอุ้มตันหลังให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่ดีที่มีนิสัยขโมยตอนเป็นเด็กนักเรียนกับพระติดนิสัยข้ามชาติตอนเป็นพ่อค้านะ่ชอบรับซื้อของโจรชอบมีกลโกงในการค้า ไปทำธุรกิจก็ชอบคดโคดโก ง, ง, งมาเลงต่างแล้ว น, นั่นเหมือนเหล็กในพึ่งเงิน น, นวิบากกรรมเจ้าชูในอดีตทำให้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็มามีบิดาเจ้าชูคล้ายกับตัวเองในอดีตและกรรเจ้าชู้ในอดีตที่มีเมียหลายคนแล้วก็มีลูกหลายคนแล้วมักจะไม่ใส่ใ จ, ใจลูกเมียบางคนแต่ว่าให้ความใส่ใจกับลูกเมียอีกคนนึง คือมีหลายคนแต่ว่าโปรดเมียบางคนจึงทําให้แม่ปัจจุบันเวลาเห็นตัวลูกก็มักจะพูดให้ น, น้อยใจเสียใจอีกทั้งนึกถึงภาพความชจ้าชูของพ่อของลูกที่ทําให้แม่ช้าใจในหลายๆเรื่องนี่ความคิดของแม่นะคือกรรมของลูกบังคับให้แม่เวลาเห็นลูกก็มักจะพูดให้ลูกน้อยใจเสียใจกับ แม่นึกถึงภาพปัจจุบันความเจริชูของพ่อของลูกทําให้แม่ช้าใจในหลายๆเรื่องก็เลยมาลงที่ลูกจึงทําให้ลูกรู้สึกว่าแม่ไม่รักตัวเท่ากับน้องทั้งสามทั้งๆ ท, ท, ที่แม่ก็รักแต่เพราะกรรมของตัวกับภาพในอดีตที่ฝังใจแม่เนี่ยเกี่ยวกับพ่อสามีหญิงตัวเนี่ย <S S ก็เลยมาลงที่ลูกไม่ใช่เขาไม่รักแม่เขาก็รักแต่รักต้องอัดอย่างนั้นแหละ แม่ตายและไปเกิดเป็นบริวารของพ ม, มะเทวาสายักได้รับบุญที่อุทิตไปให้จึงทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารรับใช้เขาอยู่แม่นะ่ยดีใจที่ได้รับบุญที่ลูกอุทิตไปให้และฝากขอบคุณมาถึงลูกที่อุทิตบุญไปให้ท่านซึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวในหลายคน ที่ทำบุญไปให้อีกทั้งฝากขอโทษที่ตอนเป็นมนุษย์ได้ทำให้ลูกต้องเสียใจและน้อยใจจ้านี่ท่านฝากขอโทษมาเนอะลูกเนือ้อขอบคุณและขอโทษสองอารมณ์ในเวลาเดียวกันขอโทษไปก็ร้องไห้ไปอย่างนันแล้วนึกถึงยักษ์ร้องไห้รับบริวารถ้าเป็นบริวารยักษ์ไม่ใช่ยักษ์สวยหรอกก็ต้องมีเขี้ยวเข้าแรงดั ที่น้องๆลูกบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีคิดจะเอาปเปรียบลูกตลอดเวลาลูกก็อย่าไปคิดอะไรเลยคิดว่าเราทำบุญสงเคราะห์ญาติกันแล้วกันจะได้เป็นบุญกุศลของเราที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่ลูกทำมาเลยจะ้ะลูกกับเด็กที่เลี้ยงเอาไว้แนด่ดีก็ที่เลี้ยงเอาไว้ในด่ดีก็เคยเป็นพ่อลูกกันในชาติที่ลูกเกิดเป็นผู้ชาย เป็นพ่อค้าร่ำรวยแต่ตะนนีและโหดนั่นแหละจ้ะส่วนคุณย่าของเด็กก็คือการยานมิตรในชาตินั้นที่นำให้ลูกมาเจอหมู่คณะชาตินี้ก็มาเป็นการมิตรให้อีกเป็นการมิตรใท้ทั้งสองชาติลูกชอบฝันเห็นราชการต่างๆโดยเฉพาะราชการที่ห้าก็เพราะความนับถือเทิดทูนเป็นพิเศษก็เลยเก็บเอาไปฝัน เป็นตุเป็นตะส่วนที่ฝันว่ามีคนพาเป็นดรกสวรรค์ติดต่อกันเป็นเดือนเพราะมีความเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่จ้ะอย่าไปกังวลเกินไปไม่มีเหตุหรือกรรมอะไรเป็นพิเศษจ้ะให้ทำใช้เฉยลูกก็เคยสร้างบรมีกับหมูน่นณะมาโดยเป็นกองสเสบียงมาหลายชาติแต่บางชาติกับพลัดกันชาตินี้ก็สร้างบรมีร่วมกันให้ตลอดจะได้ไม่พลัดกันอีก แล้วก็ให้ดูแลกิจการโรงเรียนไปเหมือนเดิมเลยจ้ะจะได้สอนให้เด็กน่ะเป็นคนเก่งและดีแล้วจะได้พาเด็กมาเข้าวัดฟังธรรมให้มีความรู้คู่คุณธรรมจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นต้นบุญวยแบบที่ดีของของโลกอย่างนี้ก็ถือว่าเด็กทำประโยชน์ให้แก่พระาศาสนาแล้วจ้ะแต่เขื่อนในน้องๆดูแลแทนเะน่ยเขาก็จะไม่ทาอย่างนี้แหละ เพราะนั้นอยู่ตรงนั้นนะลูกนะอยู่ตรงนั้นจะได้เป็นที่พึ่งตรงนั้นแนหะแล้วก็สั่งสมบุญทุกทุกบุญไปเอาเรามาดูภาพกันหน่อย<ๆ>ในอดีลูกเป็นผู้ชายเป็นพระค้าฐานะร่ํารวยช่วงเริ่มตอนชีวิตเป็นคนดุร้ายและตระณีชอบตีฆ่าท่าบริวารในเรือนเมื่อไม่พอใจฆ่าท่าก็ให้อดข้าวและบอกว่าทํางานไม่คุ้มข้าวสุบด้วยคำนี้ทําให้มาเจอพ่อเลี้ยงที่ชอบตบตี ทารุณกรรมเจ้าแน่ดีมีความตรนีมากจะห่วงค่าปลาอาหารไม่ให้คาถาบริวารอยู่ดีกินดีให้อดๆ อ, ด อ, ดอยากๆลงโทษให้อดอาหารแล้วบางทีก็ไล่ออกจากเรือนไปเลยตําใหาตินี้ต้องอรเหิเล่ล่อนหนึ่งเด็กอดๆ อ, ด อ, ด อ, ดอยากๆต้องกินข้ากับน้ำปลาอยู่หลายปีภอหลังเจอกะเลมิตรตอนมีปัญหาเรื่องกิจการค้าตกต่า ที่ได้รับคําแนะนําให้มาเจอหมู่คณะได้รับรู้เรื่องราวควา ม, มจริงของชีวิตจึงทําให้เริ่มปรับปรุงตัวเองจากความตาระนีและโหดร้ายต่อฆ่าท่าบริวารวิธีกรรมที่เคยพูดไม่ดีกับฆ่าท่าบริวารทําให้เป็นกลากเกลื่อนเมื่อเลิกตรนีจึงเลี้ยงดูบริวารดีขึ้นให้การศึกษาแก่ฆ่าทาาบริวารและสนับสนุนให้พระเนรเรียนหนังสือ ทำให้มีคนนายมารับไปเลี้ยงดูอย่างดีและให้การศึกษาตีมีนิสัยขโมยตอนเป็นนักเรียนเพราะติดนิสัยข้ามชาติตอนเป็นพ่อค้าชอบรับซื้อของโจรชอบประกอบการค้าเด็กความคดโกงมีกลนโกงในการค้าอิบา ก, การรมเจ้าชู้ในอดีตทําให้มาเป็นผู้หญิงและมีบิดาเจ้าชู้คล้ายตัวเองในอดีต กวามจะาชว้ในอดีตที่มีลูกเมียหลายคนไม่ได้ความใส่ใจกับลูกเมียบางคนทำให้ในปัจจุบันเวลาแม่เห็นตัวลูกมักจะพูดเห็นน้อยใจเสียใจอีกทั้งนึกถึงความจะชูงพ่อที่ทำให้แม่แําใจเลยมาลงที่ลูกทำให้ทให้รู้สึกว่าแม่ไม่รักทั้งๆ ท, ที่แม่ก็รักลูกจ้ะแม่ตายแล้วไปเกิดเป็นบริวารของภุมะเทวาสายักษ์ได้รับบุญที่อุทิไปให้ มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารรับใช้เขาอยู่แม่ดีใจที่ได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้แล้วก็ฝาขอบคุณมาถึงลูกที่อุทิศบุญไปให้ท่านซึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวในหลายคนที่ทำบุญไม่ให้อีกทั้งฝาขอโทษติดตอนเป็นมนุษย์ได้ทาให้ลูกต้องเสียใจและน้อยใจจ้ ที่น้งนองๆลูกบางคนดีบางคนไม่ดีคิดจะเอาเปรียบลูกตลอดเวลาลูกก็อย่าไปคิดอะไรเลยคิดว่าเราทําบุญสงเคราะห์ยญาตกันแล้วกันจะได้เป็นบุญกุศลของเราที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่ลูกทําละจ้าลูกกับเด็กที่เลี้ยงเอาไว้ในอดีตเคยเป็นพ่อลูกกันในชาติที่เกิดเป็นผู้ชายเป็นพ่อค้าร่ํารวยแต่ตรนี่ส่วนคุณย่าของเด็ก ก็คือกรายกรายานามิตรในชาตินั้นทำให้ลูกมาเจอหมู่คณะชาตินี้ก็มาเป็นกรารยานามิตรให้อีกจ้าลูกชอบฝันเห็นราชการต่างๆโดยเฉพาะพะระห้าเพราะความนับถือเทิดทูนเป็นพิเศษก็เลยเก็บเอาไปฝันส่วนที่ฝันว่ามีคนพาไปนรกสวรรค์ติดต่อกันเป็นเดือนเพราะมีความเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่อย่ากังวลเกินไป ไม่มีเหตุหรือกรรมอะไรนะเป็นพิเศษคือชอบนับถือเสด็จพ่อเงี้นลูกเคยสร้างบา ร, รมีกัหมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงมาหลายชาติบางชาติก็พลัดกันชาตินี้ให้สร้างบา ร, รมีร่วมกันให้ตลอดจะได้เปพัดพลากันอีกโดยเฉพาะเสาแก้วพันปีเนะี่ยมหารัตนวิหารคตแเลย ให้ดูแลกิจการโรงเรียนไปเหมือนเดิมจะได้สอนให้เด็กเป็นคนเก่งและดีแล้วก็พาเด็กเข้าวัดฟังธรรมจะได้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นต้นบุญต้นแบบทีดีของโลกอย่างนี้ก็ถือว่าลูกได้ททำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวเคลสอดดีสันสน้นๆคืนนี้นะจ๊ะ